บัตรนี้ทั้งสองประสานจับมือกันแน่นจ้องมองดวงตากันอย่างดื่มดำลึกซึ้งเมฆหมอกแห่งภาวะทุกโศกกังวลใจทั้งหมดได้คลี่คลายสลายไปหมดสิ้นแล้วเรื่องราวในอดีตชาติของกันและกันต่างได้รับรู้เข้าใจกันเองเฉพาะตัวเท่านั้นโดยไม่มีบุคคลอื่นใดสามารถจะมาอย่างทราบได้ด้วยทั้งสิน้น ถ้าหากจะมีก็เห็นจะมีเพียงเงาทรายหรือจั ก, กรราษเพียงคนเดียวเท่านั้นจักรราษผู้ซึ่งในเวลานี้ก็ยังมีพฤติกรรมที่ลึกลับเงื่อนงำอยู่โดยทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่อาจจะทราบได้ว่าเขาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนเพราะแม้จะเข้ามาจนถึงราชฐานชั้นในของมรกรนครแล้วเช่นนี้ก็ยังมองไม่เห็นแม้แต่งเงามีแต่เหล่าทหารข้าราชบริพารและเมญานี ที่ล้วนอ้างว่าปฏิบัติทุกอย่างไปตามคําสั่งของเขาเท่านั้นคุณหญิงครับเราัวแต่ตื่นเต้นยินดีที่ได้พบกันอย่างไม่คาดฝันจนกระทั่งผมไม่ได้ถามคุณหญิงเลยว่าคุณหญิงได้ออกติดตามผมมาได้ยังไงกันเนี่ยมากับใครบ้างมันสับสนอลหมานไปหมดในความคิดของผมผมเดาอะไรไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยในที่สุด ระพินก็เริ่มเอ่ยขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการสติสัมปชัญญะดูเหมือนจะกลับคืนมาครบถ้วนและจากสภาพเคลิมเคลิมฝันฝันก็ทุกคนของฝ่ายเราที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกับคุณมาก่อนแล้วก็รักเป็นห่วงคุณทั้งนั้นอะระพินหมายความว่าใช่หล่อนพยักหน้าลงยิ้มให้อย่างชื่นบานแจ่มใส พี่ใหญ่พี่กลางชยันลุงอินขยินแล้วก็ลูกบ้านของคุณอีกสิบคนที่ช่วยหาบหามสัมภาระมาให้โดยมีนายช่วยน่ะเป็นหัวหน้าถ้าจะขาดก็เมยคนเดียวเท่านั้นแหละเพราะหล่อนคลอดลูกได้เพียงแค่สองสามวันก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางมาในครั้งนี้แล้วหล่อนก็เป็นคนออกคําสั่งให้ชั ย, ยันน่ะมากักคณะของพวกเราด้วยดารินน่ะมาตามชายคนรัก สนคนอื่นๆเขามาตามเพื่อนรักและตามเจ้านายที่รักของเขาเพราะเราล้วนระหนักกันได้ดีทั้งนั้นว่าการมาของคุณในครั้งนี้นะมันหมายถึงความตายแต่ในที่สุดเราก็ตามมาพบคุณจนได้ในสภาพที่ยังมีชีวิตร่างกายอยู่ครบแม้ว่าจะสะบักสะบอมสักแค่ไหนก็ตามถ้าทุกคนของพวกเราที่มาด้วยกันได้รู้ความจริงอย่างนี้าก็คงจะดีใจนจนพูดไม่ออกทีเดียวระพิน กระพินไพรวันเอามือกลุ่มสีสักอุทานอะไรออกมาคำานึงอย่างตกใจอาการของเขานิ่งงันไปนานตายละไม่น่าเลยไม่น่าจริงๆอะ่ะโธนี่คุณนอกจากคุณจะประเมินน้ำใจของผู้หญิงที่รักคุณผิดแล้วอะ่ะคุณก็ยังประเมินน้ำใจของเพื่อนตายเหล่านั้นผิดด้วยใช่ไหม รวมทั้งพวกลูกบ้านหนองน้ำแห้งของคุณเหล่านั้นด้วยคุณหญิงครับผมผมพูดไม่ออกจริงๆนะเนี่ยผมคิดไปไม่ถึงในทุกสิ่งทุกอย่างในน้ําใจของทุกท่านเหล่านั้นรวมทั้งหนานอินขยินแล้วก็ลูกบ้านหนองน้ําแห้งเนี่ยทุกคนช่างประเสริฐแท้ๆไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่ทุกคนจะต้องมาเสี่ยงตาย มายากลำบากสารพัดชนิดเพื่อติดตามผมแบบนี้สุภาพบุรุษไพร พ, พึมพำออกมาในสภาพมืนตื่มีสิมีเหตุผลมากๆด้วยทำไมจะไม่มีอะดารินเน้นคำชัดเจนจับปลายคางเขาให้หันมามองดูหน้าหลอนเหตุผลเหรอครับเหตุผลอะไรกันคุณหญิง ก็ในเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งท้าจะล้มประดาตายเพระาพระทราบว่าชายคนรักต้องเร่ร่อนออกตะเวนป่ามรณะไปอย่างไม่รู้อนาคตแล้วก็ได้ตัดสินใจที่จะออกค้นหาติดตามด้วยตัวเองโดยไม่คำนึงถึงชีวิตเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเขาเหล่านั้นซึ่งก็ล้วนเป็นพี่ๆแล้วก็เป็นเพื่อนรักทั้งหลายจะยอมให้น้องสาวบุก ป, ป่าฝ่าดงมาคนเดียวเหรอ นี่พูดถึงเรื่องที่นอกเหนือไปจากความรักความห่วงใยแล้วก็ระลึกถึงบุญคุณของคนที่มีนามว่ารพินไพรวันมาก่อนซึ่งทุกคนก็ล้วนตกเป็นหนี้ทั้งนั้นอะจาไว้ไม่เพียงแต่ฉันเท่านั้นะ่ะทุกคนของพวกเราไม่มีใครทอดทิ้งคุณได้หรอกเมื่อรู้ว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายสวรรค์ทรงโปรด จอมพลานเงยหน้าขึ้นไปจับมองดูอยู่ที่ดวงจันทร์อันลอยคว้างอยู่กลางหาวคุณหญิงครับผมไม่ทราบจะกล่าวยังไงออกมาได้ถูกแล้วนะครับเนี่ยถ้าพบหน้าก็แทบจะ ก, ก้มลงกราบแทบเท้าทั้งคุณชายใหญ่คุณชายกลางคุณชา ย, ยันสําหรับลุงอินขยินและคนของผมเหล่านั้น่ะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว พวกเราล้วนเป็นนักต่อสู้ผจญภัยกันอยู่ก่อนแล้วทุกคนแล้วก็เป็นชีวิตที่ไม่มีราคาอะไรนักใช่ชีวิตของคนเหล่านั้นน่ะไม่มีราคาอะไรนักแต่มีค่าสูงชนิดที่จะประเมินไม่ได้เลยระหว่างที่ฉันมาหยุดเตรียมตัวอยู่ที่หนองน้ำแห้งก่อนการออกเดินทางแค่วันเดียวขยิงกับลุงอินก็ออกมาจากป่าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดกันเลย แต่ก็ด้วยเหตุผลเดียวกันคือแง่ายไปเข้าฝันสั่งให้ทั้งสองคนตรงมาอย่างหนองน้ำแห้งด่วนที่สุดและเมื่อมาถึงเขาทั้งสองก็รู้เรื่องของคุณจากพวกเราจึงแทบจะไม่ต้องชวนเลยทั้งขยินและลุงอินอาสาที่จะร่วมทางกับพวกเราทันทีนี่ถ้าไม่ได้สองคนนะร่วมเดินทางมาด้วยในครั้งนี้พวกเราก็คงจะแย่ยิ่งกว่านี้คุณล่วงหน้าไปก่อนตั้งเจ็ดวัน เอาทหารเอกมือดีไปหมดโดยมีตัวคุณเองเป็นผู้นำหรือกัปตันทีมส่วนทางชั้นก็มีแค่พี่กลางหรือพรานชดกะลุงอินซึ่งแกก็แก่มากแล้วแล้วก็ขยินผู้โง่เขลาแต่ก็ซื่อสัตย์และเป็นลูกป่าแท้จริงเท่านั้นที่จะเสี่ยงงมกันมาแต่เราก็ทำได้สำเร็จสำเร็จอย่างงดงามซะด้วยนั่นก็คือเราถึงมรกกนครก่อนคุณซะด้วยซ้า ดารินกล่าวอย่างชัดเจนฉาดฉานพร้อมรอยยิ้มละไมแต่ไม่ได้ความสมหวังภาคภูมิใจเปี่ยมล้นบนความปีติตื่นตันใจที่ปรากฏออกมาทางสีหน้าและแววตาระพินไพรวันมีความกังวลกลิ่งเกรงต่อสิ่งที่เขาได้รับทราบเป็นอย่างมากผม ผมขาดกลัวและก็เกรงใจท่านเหล่านั้นจนบอกไม่ถูกในการพบปะเผชิญหน้าครับในที่สุดเขาก็รําพึงออกมาอย่างตะกุกตะกักหญิงสาวสั่นศีษะช้าๆและทำไมคุณจะต้องคิดอย่างนั้นด้วยทุกคนสมัครใจออกตามคุณมาเองไม่ใช่คุณไปบีบบังคับหรือขอร้องนี่คุณควรจะแสดงความยินดีและชมเชยเขาทุกคนเมื่อพบหน้ากัน เพราะว่าพวกเราจะได้เกิดความรู้สึกที่ภาคภูมิใจขึ้นอย่าได้แสดงอะไรให้เห็นว่าคุณไม่พอใจในการติดตามมาของพวกเขาเป็นอันขาดคราวนี้แหละที่คุณจะได้รู้จักในน้ำใจของผู้หญิงคนหนึ่งหมู่มลมิตรของคุณตลอดจนลูกน้องบริวารที่คุณเคยช่วยเหลืออุปการะมาว่าคนเหล่านั้นเมื่อวาระจาเป็นขีดสุดเกิดขึ้นกับคุณ ทุกคนก็เสียสละให้คุณได้ด้วยชีวิตเหมือนเหมือนกับที่คุณได้เคยปฏิบัติต่อเขาไปแล้วชีวิตในป่ามันก็เป็นอย่างนี้นะมันทําให้คนเข้าใจคนมันทําให้ความรักทุกชนิดพิสูจน์ตัวเองออกมาได้อย่างแน่ชัดไม่ว่าจะรักอย่างคู่รักรักอย่างเพื่อนหรือรักอย่างบ่าวกันนายระพินตื้นตันจนน้าตาคลอ รวบร่างของดารินเข้ามากอดแล้วกอดอีกและในที่สุดก็ทอดกายลงกับพื้นแท่นหินเอน็นศีรษะวางภาพตักหลอนจูบทุกส่วนเท่าที่จะตะแคงใบหน้าไปพบกับจมูกและริมฝีปากของตนดารินโอบช้อนต้นคอเขาแนบกับสวงอกก้มลงถามได้ยินเสียงหัวใจฉันเต้นไหม ได้ยินครับมันได้พูดหรือบอกความอะไรกับคุณด้วยฟังเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจดีที่สุดครับดวงใจดวงนี้บอกกับผมว่าระพินต่อไปนี้เธอจะจากฉันไปไหนไม่ได้อีกแล้วใช่ถูกต้องที่สุดฉันมาตามคุณกลับบ้านของเราที่หนองน้ำแห้ง ซึ่งต่อไปมันจะเป็นวณะอุนที่ยิ่งใหญ่แห่งชาติไม่ว่าจะต้องใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลซักขนาดไหนแล้วคุณก็คือนายบ้านของคนพื้นเมืองอยู่ตามเดิมแต่ฉันจะเป็นผู้อำนวยการเขตดูแลวณฑยุนแห่งนั้นตามตำแหน่งในหน้าที่ราชการคราวนี้ไม่ใช่มีหน้าที่จับสัตว์ไปขายกับคุณนาพลหรือใครอีกแล้วแต่จะต้องดูแลรักษา ป, ป่าและสภาพแวดล้อมทุกชนิด เอาไว้รวมทั้งธนุบำรุงมันด้วยเพื่อลูกหลานอนุชนของเรารุ่นหลังต่อไปคุณหญิงอา้าวนี่ฉันพูดจริงๆนะหูคุณไม่ได้ฝาดหรอกคุณหญิงครับการที่จะทำให้หนองน้ำแห้งเป็นวนอุทยานแห่งชาตินะ่ะมันต้องใช้เงินเป็นร้อยๆล้านอยู่นะครับเนนะจะสักกี่ร้อยล้านก็ได้ สำหรับดารินวราริทผู้รวยเงินแต่อับจนรักคนเนี้ยเพราะต้องบากบัน่นติดตามชายคนรักจนแทบเอาชีวิตไม่รอดอแล้วแล้วตัวคุณหญิงเองนะครับพอสร้างหน้องน้ำแห้งให้เป็นวนอุทยานเสร็จแต่งตั้งนายราพินเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเสร็จก็คงจะเฉดใฉยไปในโลกกว้างอีกตามเคยหล่อนแยกเขี่ยวจับจมูกเขาสั่นโดยแรง คำรามออกมาอย่างน่ารักนี่ไปใหงโง่เหรอไปให้อะไรมันมาคาบคุณหายไปอย่างนีสิดารินคนนี้จะไม่วางใจไม่ชะล่าใจอีกแล้วรู้ไวสะดวหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดอีกฝ่ายหนึ่งเงียบกริบหล่อนจึงเขย่าแก้มของเขาถามคาดคันมาว่านี่ไม่ต้องมาทำเฉย ได้ยินที่ฉันพูดนี่ไหมครับได้ยินครับได้ยินแจมแจ้งทั้งสองรูหูนี่เจ้าเอา้าได้ยินแล้วทำไมถึงเงียบไปหมิ่นตอบอะไรมาเลยก็ผมกำลังคิดเปรียบเทียบอยู่ขณะ น, นี้สมัยเป็นจิตรางคนางยังไม่น่ารักน่ากลัวเท่าสมัยเป็นดารินวราริชาตินีเลยก็แน่ละสิ กีตาร์คนางน่ะโง่จะตายไปกรูดแค้นคนรักที่ฆ่าพ่อตัวเองไปไปท้ารบเขาไม่สู้แทนที่จะเอาหอกเสียบอกซะกลับขีม่ม้ากลับเข้าค่ายไปดื่มยาพิษฆ่าตัวตายมันไม่ใช่เรื่องเลยแต่ความจริงชีวิตของคุณอยู่ในกํามือของฉันแล้วอะตอนนั้นอะฉันอยู่บนหลังมาสึศมีอาวุธพร้อมแต่คุณยืนอยู่กับพื้นมือเปล่าแล้วก็ยอมออกมาให้ฆ่าซะด้วย จิตร่างคนางน่ะไม่โง่หรอกคุณหญิงเสียงของเขาพูดขึ้มขึ ม, ขมหางเสียงจริงจังความจริงนางรู้ดีว่าอัคนิรุธไม่ได้มีเจตนาที่จะสังหารพระบิดาของนางเลยมันเป็นการเข้าใจผิดเป็นอุปัตยเหตุและขณะที่นางควบมา้าออกมาหน้าค่ายของอคนิรุธท้าออกไปด้วนนะ่ะอัคนิรุธก็ออกไปหาโดยดีด้วยมือเปล่ายอมรับผิด สารภาพความจริงใจทั้งหมดและพร้อมที่จะชดเชยชีวิตของตนเองให้ด้วยน้ำมือของนางเองซึ่งนางก็รู้ดีอยู่แล้วว่าถึงแม้จะสังหารอคหนิรุธไปก็ไร้ประโยชน์จึงละเว้นให้และที่กลับไปสู่ค่ายของฝ่ายตนและดื่มยาพิษไปชีพตนเองก็เพราะเหตุผลสองประการคือ 1. พระเจ้าอาขบดกลางศึก ยึดอำนาจของนางไว้แล้วสองราชปุโรหิตมันไรก็คุกคามรุกร้าวในด้านความรักความพิศวาสเป็นเรื่องที่นางไม่อาจจะทนทานต่อไปได้ทั้งสองสิ่งทางออกที่ดีที่สุดของขัตติยนารีผู้กล้าหาญและมีใจรักเดียวก็คือการปริบชนชีพของตนเองซะเพื่อตัดปัญหาทั้งมวลอ๋อ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 ฉันต้องการให้คุณหันมาสนใจกับปัจจุบันแล้วก็อนาคตลืมจิตรางขนางสถิทแล้วก็หันมาสนใจกระดารินคนนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจครับผมอยากจะหลับจังที่นี่ตรงนี้เดี๋ยวนี้แทบตักของคุณหญิงอะก็หลับสิคะระพิน คุณคงจะอ่อนเราโหยโรยแรงเป็นที่สุดแล้วสำหรับวันนี้แล้วฝ่ายของคุณหญิงล่ะครับที่อยู่กันยังปราสาทหลังกับฝ่ายของผมที่พักกันอยู่ที่ปราสาทหน้าเขาคงจะอัศจรรย์กันไปหมดว่าเราสองคนาหายไปไหนถ้าพวกเขาบังเอิญตื่นขึ้นมาตอนนี้่ก <c oughs> ุชางาทั้งสองฝ่ายนั่นแหละพรุ่งนี้เช้าถ้าพวกเขาสงสัยก็คงจะตามผมมาดูเอง แล้วก็คงจะพบเรานอนหลับอยู่ด้วยกันที่ศาลาปริชาตินี่คงจะไม่เหมาะกันมังครับคุณหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคงยังหลับลงไปไม่ได้หรอกครับกราบใดที่หัวใจยังติดข้องอยู่กับสารพัดปัญหาและทุกคนของฝ่ายคุณหญิงที่เดินทางมาด้วยกันเนี่ยปลอดภัยเรียบร้อยดีเหรอครับทุกคนก็ปลอดภัยเรียบร้อยดีอะ ก็มีแต่ฉันคนเดียวอะที่สะบักสะบอมกว่าทุกคนเกือบตายก็ตั้งหลายครั้งบางขณนะน่ะหลงพลัดจากพรกพวกไปคนเดียวเป็นเวลาตั้งหลายหลายวันบางขนาะก็จับไข้ล้มป่วยลงฉันน่ะลําบากยิ่งกว่าสมัยมามากะคุณครั้งก่อนอีกอยู่กันครบไม่มีใครล้มหายตายจากโดยเฉพาะพวกลูกบ้านของผมที่คุณหญิงเอามาด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครบรวมทั้งหมดสิบกคนลูกหาบสิบเราพี่น้องสามคนชยันนันอินแล้วก็ขยินรวมสิบกคนมาดีเป็นบุญหรือเกินครับบุญจริงๆที่บุกบันมาจนถึงที่นี่จนได้แล้วก็เป็นการคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำมากซ้ำยังโชคดีกว่าผมที่มหาฤาษีกลทัญญะสั่งให้วายานำทางให้กับคุณหญิง เอามาส่งจนถึงส่วน ก, กลางของถนนพระศิวะสำหรับทางด้านผมนะ่ะตั้งเข็มเลี้ยงภูเขานิลการมาผู้หวังจะให้ย่นระยะทางที่สุดแต่แล้วก็กลับปรากฏว่าหนทางนะ่ะยิ่งลำบากยากเย็นที่สุดถ้างแงซายไม่ไปเข้าฝันชี้บอกทิศทางให้ป่านี้ผมก็คงหลงงมหาทางขึ้นอยู่แถวเชิงเทือกพระศิวะนะั่นแหละขณะที่ผ่านนิทรานครมานะ่ะ ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันน่ะว่าเหตุใดมันไรถึงไม่ปรากฏตนขึ้นรังควานคณะของเราอีกเงียบหายสนิทไปเลยก็เพิ่งจะมารู้ความจริงจากคุณหญิงนี่เองว่าไอ้ผีดิบนะ่ะได้พินาศเด็ดขาดไปแล้วด้วยฝีมือของคุณหญิงเองไม่เอาอย่าไปเอ่ยถึงสิ่งสยองขวัญชั่วร้ายนั่นอีกสิฉันอยากจะลืมมันใช่สนิททีเดียวเหมือนอนก็ได้ฝันร้ายไปชั่วขณะเท่านั้น ดารินบอกสวนมาโดยเร็วขณะที่ใช้นิ้วแตะริมฝีปากเข้าไว้นี่คราวนี้ฉันเป็นฝ่ายถามคุณมั่งได้ไหมเชิญครับผมอยากจะรู้ว่าพวกคุณทั้งยี่สิบคนที่มาด้วยกันเป็นไงมั่งรพินเหลือตาขึ้นมองดูเจ้าของตักซึ่งบัดนี้มองยิ้มยิ้มจับมาที่เขาตลอดเวลาแล้วก็ คุณหญิงทราบละเอียดถึงจำนวนคนฝ่ายผมถึงขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยนี่คุณขอให้คุณรู้ไว้ด้วยนะว่าก่อนจะออกเดินทางติดตามมันเนี่ยฉันมีประวัติของแต่ละบุคคลอยู่ในมือหมดแล้วว่าใครเป็นใครมั่งขนาดลูกหาบสองคนของคุณไปตายในระยะต้นต้นทางแล้วคุณได้กระเหี่ยงอูทักกระกระเหี่ยงพระโต้มาทดแทนน่ะฉันยังรู้นะนี่ เรียกว่าสาวรอยหาร่องกันมาทุกระยะนั่นแหละบอกแล้วไงว่าเพิ่งมาหลงพลัดรอยกันตรงนิทรนครเท่านั้นแหละอู้ระพินคลางออกมาแล้วเอ็นต้นคอลงไปพิงตักหล่อนตามเดิมแม่คุณหญิงนี่ยังกำมือพรานอาชีพก็ไม่ปานนะเอา้าก็อย่าลืมสิว่าฉันน่ะคือลูกศิษย์ของใครใครสอนฉันไว้ ถ้าฉันไม่มีครูผู้ถ่ายทอดสารพัดวิชาของการเดินป่าให้ฉันคงมาไม่ถึงที่นี่หรอกอืมจริงสินะผมก็ลืมไปซะอย่างสนิทแล้วก็อาจจะคิดประมาณการคุณหญิงในป่าต่ำเกินไปครับพวกผมยี่สิบคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยถึงแม้จะทุลักทุเลกันสักขนาดไหนก็ลากสังขารกันมาถึงมรกตนครของจักรราชได้โดยปลอดภัย มีชีวิตอยู่กันครบถ้วนหมดทุกคนเหมือนกันแต่ละคนอะเฉียดตายกันคนละหลายหลายสิบครั้งครับทั้งโรคภยัยไข้เจ็บแล้วก็ภัยจากป่าผมก็เหมือนคุณหญิงเหมือนกันในการนําทางมาคราวนี้ผมดูเหมือนจะแย่หนักกว่าทุกคนป่วยหนักก็หลายครั้งโรคเก่าเป็นไข้หมดสติจับสันพิการไปชั่วขณะใช่ปะก็มีบ้างเป็นบางครั้งนะครับ ไอ้มาเลเรียกับผมน่ยญาติสนิทกันมานานแล้วคุณหญิงก็ทราบดีนี่เขาบอกเรียบเรียกพร้อมกับยักไหล่นิดนึงนี่เท่าที่ฉันรู้มีอาการหนักที่เกิดใหม่กับคุณด้วยใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดกับคุณมาก่อนเลยแต่มาโดนเอาหนักแทบตายในครั้งนี้คืออาการที่เลือดไม่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองเส้นโลหิตตีบลงชั่วขณะทาให้เป็นลมหมดสติล้มทั้งยืนเลย ใช่ป่ะรบพินอ้าปากค้างงุนงงเอ๊ะคุณหญิงแล้วทำไมคุณหญิงถึงได้ทราบแล้วครับดารินหัวเราะแผ่วเบาเอานิ้วลูบคิ้วเขาอย่างปราณีก็หลับตาลงครั้งใดฉันก็มองเห็นคุณทุกครั้งไปแหละแต่มันเป็นภาพเหตุการณ์ที่ร้ายๆทั้งสิน้นกระแสะจิตฉันก็แรงกล้าพอสมควรเหมือนกันนะ ในการติดตามคุณมาในครั้งนี้เนะี่ยเพียงแต่ยังไม่แรงพอที่จะมองเห็นได้ว่าคุณอยู่ในตำแหน่งไหนแน่นอนเท่านั้นมิฉะนั้นก็คงสกัดทันระหว่างทางนั่นล่ละคุณหญิงมองเห็นหมายถึงฝันเห็นหลหะครับดารินอมยิม้มเลิกคิ้วขึ้นใช่และถูกต้องไหมละ่ะ ครานใหญ่ถอนใจยาวรับมาว่าครับถูกต้องครับผมน่ะเกือบจะสิ้นชื่อไปแล้วบนริมชายฝั่งของทะเลสาบเหนือยอดเขาตอนนั้นก็หมดสติไปนานทีเดียวพวกนายจ้างเขาไม่ยอมให้ผมตายหนีไปง่ายๆก็เลยพยายามช่วยกู้ชีวิตขึ้นมาเขาบอกว่าผมน่ะเป็นโรคเครียดหนักเพราะคิดถึงคนที่ผมรักเออเหรอเขาบอกอย่างนั้นด้วยเหรอ เอ๊แต่ตอนนี้ฉันหมอไม่เห็นในความฝันนะเป็นความจริงครับหมอบอกผมอย่างนั้นครับหมอคนไหนผมแดงหรือผมทองอะ่ะหล่อนถามมาหน้าตาเฉยแววตามีประกายลออเลียนกระพินหัวเราะมองสบตาหล่อนโดยไม่หลบผมแดงนะเป็นแพทย์อย่างแท้จริงครับแต่ผมทองนะเป็นสัญญแพทย์เหมือนคุณหญิง แต่ว่าถูกยึดใบประกอบโรคศิลไปละจึงเป็นแต่เพียงนักเคมีฟิสิกทั้งสองคนนี่เชี่ยวชาญมากในเรื่องวิเคราะห์โรคแล้วก็การรักษาเยียวยาถ้าไม่ได้สองคนนั่นผมตายไปนานแล้วจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมาคราวนี้มันอ่อนแอผิดไปมากเลยเป็นไงพวกเขาดูแลคุณอย่างดีเลยครับดีมากที่สุดละครับดีเกินคาดคิด ซึ่งก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะถ้าผมตายลงระหว่างทางใครจะนำทางให้พวกเขาล่ะเช่นภาวนาอธิษฐานขอพรฟ้าดินแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเอาไว้ขอพวกเขาเหล่านั้นจงเมตตาอนุเคราะห์คุณด้วยเถอะขอฝากคุณไว้กับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงสองคนน่ะและทำไมจะต้องภาวนาอย่างนั้นด้วยไม่ใช่เรื่อง กระพินทำเสียงต่ำๆในลําคออา้าวก็ฉันเป็นห่วงคุณนี่แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ดูแลรักษาคุณในตอนนั้นได้ก็ต้องหวังพึ่งเขาสองคนนะสิทั้งนั้นก็ไม่ผิดหวังแล้วครับคำราวานาของคุณหญิงได้ผลเต็มที่ดีเดียวประชดเหรอไม่ได้ประชดบอกไปตามตรง ผมไม่ชอบใจอ่ะในการที่คุณหญิงจะฝากผมไว้กับผู้หญิงคนไหนแม้จะเป็นเพียงความคิดหรือคำภาวนาก็ตามอ้าวเป็นงั้นไปนี่กินปูนร้อนท้องอะไรหรือเปล่านะผมไม่ได้กินปูนแล้วก็ไม่ได้ร้อนท้องอะไรทั้งนั้นแหละครับรบพินไพรวันเป็นคนยังไงคุณหญิงก็รู้แน่กระจอยู่แล้วนี่ไม่พูดเปล่า รพินเอาฝ่ามือตบไปที่ตะโพกดารินค่อนข้างแรงน่ะดูสิมาตีใช่ไหมเขาหัวเราะแล้วไซส์จมูกจูบคลึงตรงตำแหน่งที่ฟาดฝ่ามือลงไป พ, พึมพำว่ามีอะไรหรอกนึกมันเขี้ยวก็ตีลงไปงั้นแหละรักจังนี่ถ้ากลืนได้นะก็จะกลืนเอาไว้ในอกเลยสำหรับยอดหญิงคนนี้ ลอนพริกใบหน้าเขาขึ้นมาดูและเอานิ้วเคาะเบาๆที่หน้าผากนี่ขี้เล่นน่ารักผิดไปจากสภาพของระพินไพรวันที่เคยเห็นมาก่อนนะนี่นี่นี่นี่จะเป็นอาการกลบกลืนร่องรอยอะไรหรือเปล่าจะเนี่ยผมมีร่องรอยพิรุษอะไรเหรอครับคุณหญิงต่างคนต่างจ้อง น้ำต่างก็หัวเราะ ก, กันออกมาอย่างเท่าทันในหัวใจของแต่ละฝ่ายเป็นการสัพพยอกยอกเอืนกันอย่างแสนสุขนี่เป็นไงมั่งสำหรับอิซาเบลแล้วก็คริสตินะ่าคุณหญิงถามไม่ชัดเจนสิครับไอสำหรับคำว่าเป็นยังไงมั่งน่ะมันฟังแล้วมันลึกลำเลยเกินเนี่ย ก็อยากจะรู้ไงว่าเขาปฏิบัติต่อคุณน่ะดีเลวแค่ไหนในฐานะนายจ้างสาวครับในฐานะนายจ้างก็ปกติธรรมดาแล้วครับแต่ถ้าในาฐานะแพทย์ทั้งคู่ก็ดีมากเป็นพิเศษอเอระพินเก่าที่ต้นคอแรงๆแต่ผมว่าคุณหญิงจะไปสนใจอะไรในผู้หญิงอเมริกันสองคนนั่นไม่ดีกว่าเหรอ เอ้ก็จะสนใจนี่ทําไมอ่ะเขาดีต่อคุณเท่าไหร่ฉันก็ต้องยิ่งขอบใจเขามากขึ้นทั้งนั้นไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพึังเจ็บไข้ได้ป่วยก็ ร, รู้รู้กันอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนพิการยังไงมัง่งฉันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเขาอยู่รู้ไหมหนี้บุญคุณนะครับหนี้บุญคุณเรื่องอะไรอีกฝ่ายโผงศีรษะขึ้นมาอีก แต่ดารินกดให้กระแทกลงไปกระตักตามเดิมก็เรื่องที่เขาช่วยรักษาพยาบาลดูแลคุณให้รอดมาได้น่ะสิกระพิงจุปากเบาๆอ้ยนั่นมันก็เรื่องธรรมดาอยู่แล้วนี่คุณหญิงก็ผมมันก็นำทางปล่อยผมเจ็บป่วยนอนอยู่กระที่หรือตายลงไปใครเลยจะนำทางให้กับเขาค่าจ้างค่าอ่อนก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้ว คุณหญิงไม่เห็นมีอะไรจะต้องไปขอบอกขอบใจอะไรพวกนั้นเลยนี่ดูคุณจะพยายามกีดกันฉันไว้เหลือเกินนะเหมือนกับว่าไม่อยากให้ฉันรู้จักใกล้ชิดกับพวกนั้นอย่างนั้นแหละโธ่คุณหญิงพรุ่งนี้ก็คงจะเจอกันแล้วละครับทั้งสองคนน่ะก็รู้จักชื่อเสียงเรียงนามคุณหญิงดีที่สุดเขาเห็นแม้กระทั้งรูปถ่ายของคุณหญิงที่ผมใส่ไว้ในกระเป๋าตลอดเวลา ไอบริวารลูกน้องของผมแต่ละคนก็ล้วนแต่จงรักภักดีกับคุณหญิงทั้งนั้นทั้งๆ ท, ที่คุณหญิงก็ไม่ได้สั่งมันสักนิดหนึง่งแต่พวกมันแต่ละคนนะคอยจับตามองสํารวจความประพฤติผมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คู่เข็นผมไว้สารพัดที่จะไม่ให้สนิทสนมอะไรกับสองคนนั่นเกินไปนักผมนะ่ะมันใส่ลิงสีตัวของคุณหญิงเต็มทีแล้วอยากจะไต่ให้กับหลายครั้งแต่ก็มาคิดๆ ด, ดูพวกนี้มันก็ทําถูกแล้วล่ะ มันรักบูชานายหญิงของมันมั่นคงอยู่คนเดียวไม่ต้องการให้ผมพลังเผลอถลยถยทะลึกไปทางไหนทั้งสิ่งก็เลยต้องแอบขอบใจมันเงียบๆแล้วครับดารินชมายมองเขาด้วยหางตาเอานิ้วเคาะลงไปที่หน้าอกบริเวณหัวใจของเขาแล้วก็พลังเผลอไปบ้างหรือเปล่าล่ะจ๊ะถึงจะเผลอไผลไปบ้างก็ไม่ว่ากันนะตามันเปรียว ใครก็แสนที่จะกันดานทั้งสองคนนั่งก็สวยจับ ด, ด้วยกันทั้งคู่ซะด้วยเข้าใจเลือกสรรคัดตัวกันมาใชจริงๆพวกซ i a ออนี่นี่คุณหญิงครับอย่าล้อผมเล่นอย่างนี้เลยครับคุณหญิงใจผมไม่ก็จะดียังไงพีก่กตชฉันนั่งคุยกับดีนั่งคุยกับคุณดีๆนะคะไม่ได้ต่อว่าต่อขานือคิดจะมาจับผิดอะไรอะ่ะ ดาริเมีอาการขันที่เห็นสภาพเดือดเนื้อร้อนใจของเขาคุณหญิงเป็นคนฉลาดเอาไว้พบหน้าสองคนนั่นซะก่อนเ้อครับแล้วคุณหญิงก็จะอย่างทราบได้ดีทุกอย่างบุญคำจันเกิดเซยแล้วก็คนอื่นคนไกลที่ไหนถึงแม้จะเป็นลูกน้องของผมแต่ก็เป็นบริวารผู้พักดีของคุณหญิงทั้งนั้น่ะพวกนี้ไม่มีวันปกปิดอะไรคุณหญิงหรอก นี่ฉันน่ะคุยสารทุกข์สุขดีสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณในระหว่างที่ร้อนแรมอยู่ในป่าเท่านั้นน่ะคุณคุยด้วยความเป็นห่วงด้วยความรักไม่ได้มาสอบสวนจับผิดอะไรคุณทั้งนั้นแหละครับผมก็เข้าใจในข้อนั้นแต่บอกแล้วไงใจมันไม่เคยดีเพราคุณหญิงจะคลางแคลงใจผมอะนี่ที่ตามมันเนี่ยก็เพราะความรัก แล้ก็ห่วงใยในชีวิตคุณนะหล่อนก้มลงไปบอกริมหูเขาไม่ได้ตามมาเพราะความคลางแคลงหรือว่าหึงหวงเพราะถ้าเป็นอย่งงางนั้นจริงก็ไม่จําเป็นจะต้องตามไม่เสียเวลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจไว้ด้วยโอ้ยเข้าใจยิ่งกว่าเข้าใจซะอีกในข้อนั้นน่ะแล้วก็เข้าใจด้วยว่าคุณหญิงน่ะใจกว้างยิ่งกว่ามาหาสมุทรอีก ในเรื่องแบบนี้อย่าอย่าอย่าไซโคฉันน่ะยิ่งบ้ายออยู่ด้วยแล้วเด็กๆของฉันสี่คนเไป็นไงมั่งฉันคิดถึงเขาทุกคนแทบไม่น้อยไปกว่าคุณทีเดียวรับพินหัวร้อมีเด็กอยู่แค่สองคนเท่านั้นแหละครับอีกอีกคนนึ่งแก่แล้วส่วนอีกคนนงไอ้เท่าจอมกระล่อนทะเลน้นก็นั่นแหละ อายุไม่สำคัญหรอกเขาเป็นเด็กสำหรับฉันก็แล้วกันเป็นไงบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยสบายดีเหรอไอ้พวกนี้มันสบายดีกว่าผมนี่รอดปลอดภัยเรียบร้อยกันดีหมดทุกคนทุกสถานการณ์นี่ถ้าพบเห็นคุณหญิงเมื่อไหร่ลวคงดีใจกันชนิดลุกขึ้นเต้นไปทีเดียวละม้ทุกคนนะพูดถึงคุณหญิงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอบบุญคาอุทา พระโตแล้วก็พวกลูกหาบทุกคนก็ไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรรอดภัยพิบัติบุตรวิดได้จนถึงที่นี่หมดทุกคนละครับอืมฉันดีใจนะที่ได้รับฟังข่าวเช่นนี้จากคุณขอถามในภาพรวมหน่อยนะตลอดระยะการเดินทางเนะี่ยคุณเข้ากันได้ดีอะกาเมริกันพวกนี้ฉันรู้สึกวิตกแล้วก็เป็นห่วงคุณอย่างที่สุดที่รู้ว่าคุณต้องถูกบังคับ ให้นำทางกับพวกปฏิบัติงานสายลับไม่เพียงแต่ชั้นเท่านั้นหรอกนะทุกคนก็เป็นห่วงเหมือนกันหมดเลยระพินิ่งไปชั่วขณะหนึ่งศรษะยังคงวางผ้าตักหลอนอยู่เช่นนั้นเมือ่อหลอนย้ำคำถามม่อีกครั้งจึงบอกด้วยน้ำเสียงราบเรียบเป็นงานเป็นการว่าก็ เ, าเป็นธรรมดาอยู่บ้างในระยะต้นๆของการเดินทางครับคุณหญิงที่บรรยากาศมันเต็มไปด้วยความน่าอึดอัด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 ในข้อนั้นน่ะฉันเชื่อระพินแต่ก็อยากจะถามความรู้สึกในส่วนลึกของตัวคุณเองว่าคุณสามารถไว้วางใจพวกเขาได้สนิทเพียงไหนสมมติว่าภายหลังจากที่คุณทำงานให้เขาเสร็จเรียบร้อยด้วยดีเสียงของหล่อนเย็นเนิร์มือลูบไล้อยู่กระทรวงอกของเขาคุณหญิงครับตามปกติธรรมชาติส่วนตัวของผม ผมก็ไม่เคยชะล่าหรือไว้วางใจต่ออะไรทั้งสิ้นอยู่แล้วล่ะตลอดระยะทางที่ผ่านมาผมก็เฝ้าถามตัวเองด้วยประโยคเช่นนี้เหมือนกันและในที่สุดก็สามารถหาคำตอบได้เป็นการแสวงหาได้เองจากประสาทสัมผัสนั่นก็คือผมแน่ใจครับว่าคนพวกนี้จะไม่มีวันหักหลังผมอย่างเด็ดขาดแม้ว่าเขาจะมีโอกาสก็ตาม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 ฉันเข้าใจแล้วก็ดีใจมากที่เหตุการณ์มันทำให้คุณมีความรู้สึกได้อย่างนี้คุณหมายถึงทุกคนเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงเฉพาะแม่สองสาวนั่นนะครับทุกคนของฝ่ายอเมริกันที่มาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นสแตนลีหรือคีดผมยอมครับครับว่าในครั้งแรกพวกนี้ก็น่ากลัวมากทีเดียวแต่โดยแท้จริงแล้วพวกเขาน่เสียเปรียบฝ่ายผมถ้าเกิดอะไรขึ้นในป่า ทางด้านการเป็นปฏิปักษ์หรือจาเป็นจะต้องเป็นศัตรูกันน่ะพวกเขานั่นแหละจะเป็นฝ่ายพินาศไม่ใช่ผมหรอกเข้าป่ามากับผมพวกเขาจะยิ่งใหญ่มาจากไหนก็ตามก็เปรียบเหมือนลูกไก่เชื่อ ง, องในกํามือผมและไม่เฉพาะพวกเขาทั้งนั้นน่ะไม่ว่าใครทั้งสิ้นในป่ากันดารขืนมาทําตัวเป็นศัตรูกับผมก็เท่ากับหาเรื่องฆ่าตัวเท่านั้นแหละ ดารินหัวเราะเบาๆก็คงจะเหมือนกับชั้นในสมัยนั้นละมั้งที่พยายามจะปราบคุณให้ได้ในป่าแล้วก็กลับกลายเป็นว่าตัวเองนั่นแหละถูกปราบซะอยู่หมัดชนิดกระดิกไม่ได้ทีเดียวแม้แต่หัวใจก็ยังถูกยึดไปหมดนี่รู้ตัวไหมคะระพินในป่าแล้วละ่ะคุณมีทั้งพลานุภาพรสนชนิดที่หาใครในโลกนี้เทียบไม่ได้เลย แต่ในเมืองหรือในแสงสีอารยาธรรมแล้วระพินมันก็คือไอ้บ้านนอกค อ, อกนาคนหนึง่งใช่ไหมครับคุณหญิงดารินพยักหน้าจับปลายจมูกเขาสั่นเบาๆใช่แล้วยิ่งกว่าบ้านนอกซะอีกคนดงคนดอยทีเดียวแหละแต่ฉันก็พอใจนะที่จะฝังชีวิตอย่างเป็นสุขอยู่กับคนดงคนนี้ได้ยินไหม ถึงคุณหญิงไม่พูดออกมาผมก็เชื่อมั่นเช่นนั้นแล้วล่ะครับเป็นการเชื่อมั่นอย่างภาคภูมิใจแล้วก็ปราศจากบ่มด้อยอีกแล้วโดยสิ้นเชิงครับดีมากฉันต้องการให้คุณมีความรู้สึกอย่างนี้แหละนี่นี่ยังถามไม่จบแล้วนายทหารหนุ่มไทยคนหนึ่งที่ติดมาด้วยละ่ะพันตรีเชิดบุญ น, นั่นน่ะเป็นบุคคลเคราะห์ร้ายที่น่าสงสารที่สุดแล้วครับ ในการที่ติดมากับคณะในครั้งนี้เนะี่ยผมน่ะสงสารเขามากกว่าทุกคนแล้วก็มองเห็นเหมือนน้องชายเขาเป็นคนน่ารักครับซึ่งก็โชคดีที่ตลอดระยะทางเขาก็มักจะรอดปลอดภัยเสมอไม่เคยเป็นอะไรกับใครเขาหรอกแล้วก็สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดเวลาเทพประจําตัวเขาดีมากครับไอ้ที่ว่าคราะร้ายก็เพราะต้องมาพลอยเหนื่อยยากแสนสาหัสเสี่ยงชีวิต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 นี่ต้องถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับฉันที่ได้รับทราบอย่างกระจ่างชัดสทีว่าทุกคนนะร่วมทางกับคุณมาในฐานามิตรที่พอจะไว้วางใจกันได้และตลอดระยะทางก็มีความกลมเกลียวสามัคคีกันดีฉันน่ะเป็นห่วงกังวลอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้กลัวพวกนั้นจะคิดหนักหลังคุณกลัวคุณจะไปฆ่าพวกเขาซะหรือเกิดเรื่องร้ายๆอะไรขึ้นเพราะความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน เมื่อสามารถที่จะเข้ากันได้ดีอย่างนี้ก็ต้องนับว่าประเสริฐสุดฉันมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันเถรพินนั่นก็คือในป่าแล้วไม่มีใครจะมาทําอะไรคุณได้หรอกแต่ถึงงั้นใจมันก็คิดพวักพวงระแวงไปสารพัดนี่นีนี่ไม่ต้องมาทําหน้าอย่างงั้นไอ้ที่พูดว่าระแวงมันไม่ได้หมายถึงว่าฉังจะระแวงอะไรเกี่ยวกับแม่สาวผมแดงหรือผมทองคู่นั้นหรอก แต่เราแวงในเรื่องความปลอดภัยของคุณมากกว่าอื่นใดทั้งสิ้นไม่เพียงแต่ชันเท่านั้นนะแม้พี่ใหญ่พี่กลางริชายันตลอดจนคุณอัมพลก็ล้วนวิตกอยู่ในเรื่องนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละมาได้รับทราบจากปากของคุณว่าสามารถครบหากันได้ด้วยความเป็นมิตรอันดีก็รู้สึกเป็นสุขแล้วก็โล่งอกก็ได้จะภาวนามาตลอดและที่เป็นห่วงอีกอย่างก็คือ เรื่องสุขภาพของคุณน่ะซึ่งบทจะแข็งแรงก็ยิ่งกว่าแรดแต่ถ้าจะอ่อนแอลงเมื่อไหร่แล้วก็ยิ่งกว่าเด็กเล็กๆฉันไม่แน่ใจว่าถ้าคุณเกิดอาการขึ้นเช่นนั้นแล้วพวกเขาจะเข้าใจจะรักษาพยาบาลคุณได้ถูกต้องไหมจะเหมือนกับตอนที่ฉันเคยดูแลคุณไหมมันก็ไม่เหมือนกันหรอกครับคุณหญิงแต่เขาก็ทาหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทาได้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 ไาไงก็หลวมตัวเข้ามาหลงในป่าหลงสำรวจกับผมแบบนี้แล้วถ้าขืนสำแดงอะไรออกมาก็เท่ากับหาเคราะห์ใส่ตัวซะเปล่าเปล่ า, เ, ลาเพราะชีวิตของพวกเขาทุกคนอยู่ในกำรร ม, มือผมตลอดยกเว้นแต่ตอนที่ผมเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเป็นบางขณะเท่านั้นดารินสันศีรษะน้อยๆไม่เห็นด้วยกับคำพูดของเขาแต่ฉันว่า ทั้งหลายแหละมันน่าจะเกิดจากนิสัยใจคอในส่วนลึกของพวกเขาแต่ละคนมากกว่านะระพินพวกนี้จะต้องเป็นคนดีพอสมควรทีเดียวแล้วเขาสามารถอ่านคุณได้ออกว่าเป็นคนยังไงโดยที่เขาควรจะปฏิบัติตัวด้วยยังไงไม่ใช่เพราะภาวะจำยอมหรอกพวกเขาอาจจะพอใจในธาตุแท้ของคุณก็ได้เหมือนเหมือนอย่างที่ฉันเคยพบมาก่อนแล้ว คุณหญิงมีใจิตใจเอื้ออารีแล้วก็มองทุกคนในแง่ดีงามเสมอเป็นน้ำใจที่งามบริสุทธิ์แท้เที่ยเขาพึมพำออกมาจากแก่นลึกของหัวใจเรามีโอกาสได้พบกันก่อนในคืนนี้ตามลำพังเป็นการดีมากรู้ไหมเพราะฉันจะได้มีโอกาสคุยสักถามอะไรคุณเกี่ยวกับแบกกราวของคนเหล่านั้นไว้ก่อนตื่นลึกหนาบางทุกชนิด ก็จะได้รู้ว่เป็นทุนล่วงหน้าก่อนที่จะพบเขาด้วยตนเองจะได้วางตัวได้ถูกต้องอ่ะครับอยากจะรู้อะไรก็ถามมาได้ทุกอย่างครับไม่มีอะไรที่ผมจะต้องบกบิดอำพรางคุณหญิงเลยไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิน้ <c oughs> นนี่ความจริงน่ฉันมีรูปถ่ายแล้วก็รูปพันโดยคร่าวๆของอเมริกันทั้งสี่คนไว้ในมือก่อนเลยนะได้มาจากคุณอำพลแต่ก็ยังไม่ละเอียดนักหรอก แต่ถ้าได้รับฟังจากคุณซึ่งคลุกคลีร่วมทางกันมาโดยตลอดก็คงจะทำให้ยิ่งกระจ่างขึ้นเอาเอาสัอาสั้นๆเท่านั้นแหละฉันอยากจะทราบอุปนิสัยใจคอพื้นฐานทางอารมณ์ของอเมริกันทั้งสองคู่สี่คนนี่ไว้เท่าที่คุณได้ศึกษาเรียนรู้มาเอาแล้วผมจะเริ่มต้นยังไงดีครับเอาทีละคนนี่ัวน า, นาคณะก่อนด อ, อร์สเตลลีย์ ถ้าคนนั้นเขาก็สุขขุมครับเยือกเย็นมีเหตุผลแล้วก็จะเลือกเอาทางประนีประนอมไว้ก่อนเสมอถ้าหากเกิดปัญหาขัดแย้งขึ้นผมว่าเขาวางตัวในฐานะหัวหน้าทีมงานได้ดีมากครับอ่ะคนต่อไปพันเอกคิดขานั้นนะบุมบามมุทลุบ้าเลือดอวดดีโอหงัง ดูภายนอกก็ว่าเฮี้ยมหานทะระหดดีหรอกแต่แกนแท้น่ะอ่อนแอไปหน่อยครับแต่เมื่อคุ้นเคยกันไปนานผมว่าเขาก็จัดได้ว่าเป็นคนคบง่ายเป็นมิตรที่ดีคนหนึง่งแปลว่าไม่มีปัญหาหนักใจอะไรสาหรับคุณนี่ถ้าครั้งแรกก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยน้อยแล้วครับแต่ในที่สุดก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของผมไปอีกคนหนึ่งแล้วเอาล่ะ ทีนี้ก็มาถึงแม่ชมงามราวกดาราภาพยนตร์สองคนนั่นดารินวางหน้าเฉยซ่อนยิน้มเอ๊ว่าแต่ฉันควรจะฐานถึงใครดีถึงใครก่อนดีละ่ะระหว่างคนผมสีทองกับผมสีแดงอะรวพินหัวรอกขันขันมองสบตาหล่อนอย่างรู้เท่าทันก็แล้วมันต่างกันยังไงล่ะครับคุณหญิง ในการที่จะเลือกถามถึงคนไหนก่อนหน้าหรือภายหลังอะ่ะเอา้าสำคัญสิเพราะคนที่สำคัญและทำให้ฉันต้องสนใจมากที่สุดควรจะเป็นคนสุดท้ายของคำถามใช่ไหมผมบรงเงินเดาไม่ถูกซะด้วยสิว่าคนไหนที่คุณหญิงสนใจมากที่สุดแล้วอะไรถึงต้องทำให้สนใจมากที่สุดฮจะบอกให้ก็ได้ คนที่ฉันมองจากภาพถ่ายแล้วพิจารณาเห็นว่าน่าจะถูกกระสนิยมของคุณมากที่สุดนั่นแหละความจริงก็สวยจัดด้วยกันทั้งสองคนนะแต่อีกคนหนึ่งคมเฉียบลึกซึ้งกว่าบอกตามตรงอ่ะเห็นจากรูปถ่ายแล้วฉันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าซ i a อจะส่งผู้หญิงที่มีคุณสมบัติในรูปโฉมถึงขนาดนี้มาเพื่อปฏิบัติการอันยากลาบาก เสียงอันตรายที่สุดครั้งนี้เหมือนจะมีเจตนาอะไรแอบแฝงอยู่งั้นแหละเจตนาเหละครับเจตนาอะไรรับพินขมวดคิว้วแต่ยังยิ้มยิ้มอะไรล่ะครับก็ดึงดูดล่อใจเชิญชวนแล้วก็ชักชวนให้เกิดการตัดสินใจง่ายขึ้น สำหรับพรานนำทางที่ชื่อรบพินไพรวันยังไงเอ้ผมว่าตอนนี้คุณหญิงอาจจะคิดมากไปแล้วละมั้งขณะที่พูดต่ำๆพรานใหญ่ดึงกายขึ้นจากตักของหล่อนช้าๆและรวบร่างของแม่ดอกฟ้าดารินเข้ามาเอ็นพิงไว้กระอกผู้หญิงทั้งสองคนนั่นนะครับมีความสามารถเฉพาะตัวที่จำเป็นสำหรับงานในครั้งนี้อย่างแท้จริงครับ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 เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในเรื่องกรรมันตาภาพรังสีอีกคนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโรคเมืองร้อนทั้งคู่ผ่านหลักสูตรการรบในป่ามาแล้วครับถ้างั้นฉันเลือกถามถึงแม่ผมแดงหุ่นอวบอัดดังกระดาวยั่วคนนั้นก่อนแล้วกันเบเป็นไงคนนี้อ้าวถ้างั้นผมก็รู้แล้วสิ ว่าคุณหญิงพิจาราใครเป็นคนที่น่าสนใจที่สุดสาหรับคุณหญิงเข้านิ้วแตะปลายจมูกของหล่อนดารินปัดออกไปเบาๆเร่งมาว่าตอบคำถามดิเบนอะ่ะเขาเป็นคนรื่นเริงครับสนุกสนานแล้วก็ขี้เล่นตลอดเวลาละ่ะไม่จริงจังต่ออะไรทั้งสิน้นเปิดเผยแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคน มีน้ำใจในการร่วมกับหมู่คณะได้ดีแต่ค่อนข้างจะสร้างปัญหาในด้านความประมาทแล้วก็ไม่ค่อยจะปฏิบัติตามข้อห้ามหรือคำสั่งของผมนักซึ่งทําให้ตัวเองต้องเคราะห์ร้ายอยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะสํารวมพูดอะไรโดยไม่ค่อยใช้ความคิดแล้วก็มักจะพูดในเรื่องไร้สาระเสมอ ทีนี้ก็ถึงบุคคลที่ฉันเห็นว่าสำคัญที่สุดแล้วละ่ะคนสุดท้ายคริสติน่าใช่ไ้มใช่แม่ผมทองตาลึกลับจนมองไม่เห็นก้นบ่อของหัวใจคนนั้นนั่นแหละฉันอาจวิเคราะห์ผิดก็ได้นะเพราะเท่าที่เห็นก็เพียงแต่รูปถ่ายเท่านั้นอืมผมจะบอกกับคุณหญิงยังไงดีละ่ะ คริสนะเขาเป็นมือทำงานตัวฉกาดของคณะนะครับแข็งแรงปราดเปรียวผิดไปจากรูปร่างลักษณะภายนอกครับเขาเป็นคนเฉียบขาดดูดันแล้วก็ฉลาดลึกผมยอมรับครับว่าดูหล่อนไม่ค่อยจะออกนักเพราะหล่อนลึกอย่างที่คุณหญิงเข้าใจนั่นแหละแต่หล่อนก็พิสูจน์ให้เห็นชัดได้ว่าสามารถเป็นมิตรที่ดีได้คนหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นี่คือลักษณะของผู้หญิงคนนี้เท่าที่ผมจะรวบรวมมารายงานให้คุณหญิงทราบได้ครับอ๋อมีแต่เฉียบขาดดุดันเท่านั้นเองเหรอไอชนิดอ่อนหวานน่ารักไม่มีมั่งเ่ะแลระปินอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้อีกแต่ปลายคางไม่ยอดรักเสยให้เงยขึ้นเพื่อสบตากัน อ่อนหวานก็อาจจะมีบ้างในบางเวลาครับสาหรับอเมริกันสาวทั้งสองคนนะแต่ไอ้น่ารักนี่เห็นจะไม่มีแน่นะครับเพราะความน่ารักทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สําหรับผู้ชายที่ชื่อรับพินไพร์วันไปจมสนิทถอนตัวไม่ขึ้นอยู่กระดารินวราฤทธิ์ซะแล้วล่ะครับพูดเก่งขึ้นมากนี่ในพรานของฉัน ฟังแล้วทำให้เป็นสุขเพิ่มขึ้นอีกแยะเชียแเ้ยวพวกเขา4ี่คนที่มาด้วยกันเป็นทีมน่นะมีความสัมพันธ์ต่อกันยังไงมั่งทั้ง4ี่คน2คู่มีอุปนิสัยใจคอและทัศนะแตกต่างกันออกไปครับแต่ก็จะร่วมมือสามัคคีกันได้ดีมากเมื่อเกิดความจำเป็นขึ้นถือว่าเป็นทีมเวิร์คที่ต้นสังกัดจัดมาให้ทางานได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมทีเดียว ทุกคนกล้าหารเสียสลกและให้การช่วยเหลือหมู่คณะทั้งหมดได้อย่างดีสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นเมืองของผมและพวกลูกหาบได้ดีมากแมระยะต้นๆจะคลุกขลักกันมั่งแล้วคุณหญิงจะได้เห็นและรู้จักทุกคนครับตอนที่เราพบกันทั้งสองคณะอย่างเป็นทางการพรุ่ง น, นี้พวกนั้นคงจะดีใจตื่นเต้นมากละถ้าทราบว่าฝ่ายของคุณหญิงได้ติดตามมาและได้มารออยู่ก่อนแล้ว ในมกรกรนครนี่พักพวกฝ่ายชั้นก็คงจะตื่นเต้นดีใจมากเหมือนกันนะรัฐินอ่ะคราวนี้ก็มาถึงปัญหาสำคัญแล้วนะฉันอยากจะรู้ว่าอะไรลหละที่ทำให้คุณนําคณะของคุณทั้งหมดมุ่งมาที่มกรกรนครนี่ยคุณหญิงครับอาจจะเป็นสังหรณ อาจจะเป็นประสาทสัมผัสที่หกผมแน่ใจว่าเครื่องมันหายเข้ามาอับปางที่นี่และวมิฉะนั้นพวกเขาซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยสารพัดชนิดคงจะค้นหาตำแหน่งตกได้เองแล้วคงไม่ต้องเสี่ยงมาให้ผมนำทางหรอกและในมโนทวารของคุณที่เห็นแง่ทรา ย, ายมาพบปะผู้จาสนทนาอยู่ด้วยบ่อยๆนะเขาไม่ได้บอกคุณเหรอ ว่าเครื่องมาตกอยู่ที่นี่เปล่าครับเงซายไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพียงแต่พูดเป็นในในให้ผมมุ่งหน้ามาที่นี่เท่านั้นไม่ใช่เพื่อค้นหาเครื่องตกแต่มาเพื่อค้นหาให้พบมงกุฎรักของผมไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจที่เขาพูดหรอกจนกระทั่งได้มาพบเห็นคุณหญิงเดี๋ยวนี้แหละผมจึงเข้าใจได้โดยตลอดครับ แล้วเมื่อฝ่ายคุณขึ้นหัวถนนพระศิวะได้พบกับอรชุนและกองทหารที่ไปดักรอรับอยู่คุณได้สอบถามผู้เท่าอรชุนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหรือยังหมายถึงเครื่องที่มาอับปางอยู่อะระพินพยักหน้าครับอรชุนบอกให้ผมและทุกคนทราบแล้วว่าเครื่องที่เราติดตามค้นหาอยู่นะ่ะได้มาอับปางอยู่ในดินแดนนี้ และก็บอกด้วยว่ามันได้ไปตกอยู่หลังปราศาสตร์ของมหาอุมาเทมีอันเป็นสูสารของราชวงศ์เทพและคุมสมบัติของพระอุมาฝ่ายอเมริกันทั้งหมดกระหายอยากจะไปดูว่าเห็นชัดกับตาซะภายในคืนนี้เลยแต่อรชุนจิขอร้องให้เดินทางเข้ามาในพระนครเพื่อพักผ่อนกันซะก่อนโดยรับปากว่าพรุ่งนี้จะนาพวกเราทั้งหมดไปดูจึงนับว่าเป็นโชคประเสริฐของผมอย่างที่สุด สำหรับการบ่ายหน้ามาที่นี่พระนอกจากผมจะสำเร็จผลโดยเป็นมัคุเทศนำทางยนพบเครื่องบินตกตรงเป้าหมายแล้วผมยังได้พบยอดรักในดินแดนนี้พร้อมกันไปด้วยครับนี่คือรางวาัลจากสวรรค์ที่ประธานมาให้แก่คนที่เกิดมาอาภัพตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาแล้วผมควรจะพบความโชคดีสทัทีควรจะโชคดีสัทีลครับ พร้อมกับประโยคสุดท้ายระพินกอดดารินและเขย่าในอ้อมกอดไปมาด้วยอาการดีใจมันเขี้ยวที่สุดในชีวิตของเขาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนพวกเจ้านายมริกันของพวกคุณพวกนั้นว่ายังไงมั่งละ่ะที่โผลก็มาปุ๊บก็เห็นนครรับแลในแดนสนทยายแห่งนี้พวกเขาไม่ตกตะลึงงงงันกันไปหมดเลย ว่าในเซี่ยวส่วนอันลี้ลับที่สุดของพื้นพิภพนี้ยังมีประเทศอีกประเทศหนึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ม่านหมอกโดยไม่มีบันทึกไวในภูมิศาสตร์โลกครับพวกเขานตื่นเต้นกั น, กนจนบอกไม่ถูกแล้วครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่มึนงงเหมือนตกอยู่ในความฝันอันจะเชื่อเสีไม่ได้ในทันทีที่มองเห็นกองทหารของอรชุนมาดักรอรับอยู่ตรงหัวถนน แต่พวกเขาก็ได้รับรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วคือระหว่างที่เรามาหยุดพักหาทางขึ้นกันอยู่ที่เนินปัะจน์ตอนนั้นนะผมเห็นว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่แล้วก็เลยได้บอกเล่าให้เขาทราบกันสัก่อนล่วงหน้าว่าในวงล้อมของเทือกปะสิวะอันสลับซับซ้อนที่เรากำลังจะหาทางไต่ขึ้นมานั้นมีนครห ล, ลงสำรวจอยู่นครหนึ่งซ่อนเร้นอยู่เป็นอาณาจักรโดยเฉพาะของตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกทั้งหลายผมอธิบายเขาทราบความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับโงรกรนครดังนั้นเมื่อเขาได้มาพบกับของจริงเขาแม้จะตื่นเต้นกันสักขนาดไหนพวกเขาก็ได้รับทราบมาก่อนแล้วเป็นข้อยืนยันว่าผมนะั้ไม่ได้โกหกหลอกลวงเขาและยิ่งมารู้ว่าเครื่อง B 52บร่วงอยู่ในดินแดนนี้จริงพวกเขาก็ยิ่งดีใจกันอย่างที่สุดปัญหาก็อยู่ที่ว่า และจะ ก, กู้ระเบิดกลับคืนไปได้ยังไงหรือไม่นั้นต่างก็ไม่ได้คิดกันอีกแล้วขอเพียงให้ได้ไปพบซากเครื่องตกกระตาเท่านั้นทุกคนก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ภายใต้การนำของผมสรมฤทธิผลลงแล้วครบสิ้นทุกอย่างครับดารินขยับกายห่างออกจากกระพินเล็กน้อยจับมือทั้งสองของเขาไว้ นิคุณฉันพอยดีใจกับคุณด้วยนะในเรื่องเนี้เราอาจมีเวลาเหลืออยู่อีกสักสองชั่วโมงก่อนสว่างนี่ฉันอยากจะชวนคุณให้ไปยังปราศาสตร์รับรองที่ฝ่ายของฉันนอนพักอยู่ในขณะเ น, นี้อยากให้พี่ใหญ่พี่กลางชา ย, ยันและก็ฝ่ายเราทุกคนะได้พบเห็นคุณซะก่อนฉันว่าพวกเขาคงจะดีใจกันจนบอกไม่ถูกทีเดียวถ้าเห็นคุณโผล่ก็ไปเวลานี้คุณจะไปกับฉันไหม ไปเดี๋ยวนี้เลยจูจูดารินก็เป็นฝ่ายชวนขึ้นอย่างกระทันหันระพินชังนักไปอยู่ในภาวะอึกอักอึกอักลังเลต่อเมื่อหล่อนกระตุ้นมือเขาและรบเร้ามาอีกจอมพลานจึงยิ้มออกมาเกิดจืดพูดเสียงตะกกตะกักมาว่าเออคือคุณหญิงหมายถึงเดี๋ยวนี้เวลานี้เลยเหรอครับรก็ใช่สิไปกันเดี๋ยวนี้เลย ล่อนบอกมาโดยเร็วพร้อมกับลุกขึ้นยืนฉุดมือเขาขึ้นมาด้วยระพินยังคงยืนอยู่กัที่เดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณหญิงเดี๋ยวผมว่ามันจะไม่เหมาะกันมังครับตอนนี้ทุกคนกําลังหลับสนิทแล้วก็หลับอย่างสบายที่สุดแล้วทำไมจะต้องถูกปลุกขึ้นมาสิเดี๋ยวนี้ด้วยการเข้าไปปรากฏตัวของผมผมว่าดารินยิ้มพราย สันสรสักไม่เห็นด้วยกับความรู้สึกของเขาในขณะ น, นี้พร้อมกับบอกมาอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นใจเต็มที่ชนิดที่จะไม่ยอมให้อะไรมาเปลี่ยนความตั้งใจของหล่อนได้ฉันว่าเหมาะนะเหมาะที่สุดเลยในการที่คุณจะไปพบกับพวกเราเชก่อนที่จะรุ่งสว่างเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องการนอนของพวกเขานะทุกคนเขาหลับพักกันมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วมีระยะเวลานอนที่ยาวนานเพียงพอ ฉันว่าพวกเขาจะต้องดีใจแล้วก็ต้องการพบคุณอย่างที่สุดโถอุตส่าห์ตามกันมาจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแบบนี้แล้วถ้ามีโอกาสได้พบเห็นคุณสะก่อนเช่นเนี้ยทำไมทุกคนจะไม่ปรารถนาล่ะฝ่ายของคุณไม่เป็นไรหรอกเอาไว้พบกันวันพรุ่งนี้เป็นทางการก็ยอมได้แต่คุณจะต้องปรีกตัวไปพบพวกเราทั้งหมดสก่อนจะรอไปพบพรุ่งนี้มันมันมันช้าเกินไปอะ่ะและถ้าพวกเขารู้อ่ะ ในคืนนี้ฉันมีโอกาสได้พบคุณก่อนแล้วปิดเงียบไม่ยอมบอกให้พวกเขารู้แถมไม่นำมาคุณไปพบพวกเขาด้วยฉันว่าเขาต้องโกรธมากเชอะคุณก็น่าจะเข้าใจที่ฉันพูดนี่ดีที่สุดนะระพินไม่ไม่น่าจะต้องให้อธิบายอะไรกันมากที่สําคัญที่สุดก็คือฉันว่าตอนนี้เวลามันยังมีพอสาหรับคุณสาหรับการที่คุณจะไปพบพวกเราสักก่อนตะวันขึ้นและฉันก็อยากจะถามคุณเหมือนกัน ว่าคุณคุณไม่มีความรู้สึกอยากจะพบพวกเขาโดยเร็วหรอกเหรอโถคุณหญิงครับขณะนี้นะผมได้มีโอกาสพบกับคุณหญิงก่อนตามลำพังโดยเฉพาะไม่ใช่เหรอครับระพินยังอยู่ในาการสองจิตสองใจตัดสินใจไม่ถูกเราพบกันแล้วเราได้พูดคุยทำความเข้าใจกันได้เกือบจะโดยตลอดเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงลว ฉันคิดว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องไปแสดงตัวให้ปรากฏต่อหน้าพวกเราทั้งหมดที่ตามมาเสียทีคุณควรจะให้รางวัลอันเป็นความดีใจกับพวกเขาในการพบเห็นคุณคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าทุกคนล้วนห่วงใยคุณทั้งนั้นพวกเขาไม่รู้ตัวเลยนี่นะว่าจะมีโอกาสได้พบคุณหรือไม่เมื่อไหร่ยังไงเพราะฉันก็บอกคุณแล้วว่าฉันไม่ได้บอกให้พวกเขาทราบถึงเรื่องที่เมยานีบอกกับฉัน ระหว่างที่พวกเราเหยียบขึ้นถึงกลางถนนพระศิวะว่าฝ่ายของคุณก็เหยียบขึ้นหัวถนนแล้วเหมือนกันพวกเขาจึงยังไม่มีความแน่ใจไม่มีความหวังใดๆเลยว่าคุณจะมาถึงมรกรนคอนี่หรือเปล่าพรานใหญ่เอาหลังมือขยี้ปลายคางเอางั้นเหรอครับคุณหญิงเอางี้แหละไปพบสเสดียวนี้เลยไปให้พวกเขาได้ปลาบปลื้มดีใจกัน และมีอะไรที่เราจะได้คุยกันในระหว่างพวกเรากันเองซะ ก, ก่อนโดยไม่ต้องมีฝ่ายนายจ้างของคุณเขามายุ่งด้วยเนี่ยฉันว่าเป็นโอกาสเหมาะที่สุดเลยรู้ไหมดีกว่าที่ต่างฝ่ายต่างไม่ทันรู้ตัวเลยแล้วอยู่ๆก็ถูกฝ่ายมรกรณครนเขาจัดฉากให้เราทั้งสองฝ่ายมาประจันหน้ากันซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นน่ะฉันยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะชุลมุนวุ่นวายักขนาดไหนฉันรู้ว่าทั้งแง่ทายและเมญีอ่ะ ต้องการให้มีการพบปะระหว่างคุณกับฉันโดยเฉพาะในคืนนี้ตามลำพังก่อนแต่ฉันน่ะใจรา้ายไอ้จะเก็บเอาความปราบปรื่มปิติใจชนิดนี้ว่าคนเดียวมันก็ไม่อยุดได้ทำอะ่ะกับพวกเราทุกคนฉันก็เลยอยากจะดึงคุณให้ไปพบกับพวกเราซะเลยในคืนนี้เหมือนกัน <c oughs> คุณหญิงก็รู้สึกจะใจร้อนรวดเร็วฉับไวลือเกินเลยนะเนี่ยระพินพูดพลางหัวเราะออกมาเบ า, เบา โดยแท้จริงแล้วอ่ะผมเองก็อยากจะได้พบคุณชายทั้งสองคุณชัยยันแล้วก็พวกเราที่มาด้วยกันทุกคนเสียเดี๋ยวนี้เหมือนกันแต่ผมเกรงว่าจะเป็นการจู่โจมสร้างความตื่นเต้นตกใจจนเกินไปแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนเวลานอนของท่านเหล่านั้นแต่เมื่อเป็นความปรารถนายิ่งยวดของคุณหญิงเขาเว้นทิ้งคําพูดขาดหายไปเพียงแค่นั้นส่งมือไปให้จับ ซึ่งหล่อนก็คว้าหมักอย่างดีใจนี่นี่แปลว่าคุณยอมไปกับฉันเดี๋ยวนี้ใช่ไหมหล่อนร้องออกมาอย่างดีใจครับตกลงครับไปก็ไปชาโยดีใจจังดาลินเผอตัวร้องเอ็ดออกมาแล้วกระโดดเข้ากอดคอเขาเหมือนเด็กๆต้องยังยี้สิต่อไปนี้คุณจะต้องไม่เป็นคนดื้อสำหรับฉันอีกแล้วรู้ไหม น่ารักจังอะพินเนี่ยว่าแต่แต่คุณหญิงแน่ใจนะครับว่าทั้งสามท่านคือคุณชายใหญ่คุณชายกลางและคุณชายยันพอตื่นขึ้นมาเห็นผมตอนนี้จะไม่ช่วยกันไล่เหยียบคนละตุ๊บคนละตับในฐานะที่ทำให้ท่านต้องลำบากอ่ะดารินหัวร้อเสียงใสเอาปลายจมูกปัดไปมากับปลายคางของเขาแล้วว่านี่ ถ้าแม้ว่าทั้งสามคนนั้นจะตื่นขึ้นมาแล้วประเคนคุณคนละกี่ตุบก็ตามคุณก็ต้องยอมให้พวกเขาตุบเสฉยๆดีเพราะเขาตุบคุณด้วยความรักและเป็นห่วงรู้เปล่ากระพินพยักหน้าครับตกลงครับผมจะลงนอนให้ทั้งทั้งสามนั่นเหยียบตามสบายเลยถ้าท่านประสงค์จะเหยียบในฐานะที่ท่านอุตส่าห์ยอมเสี่ยงชีวิตติดตามผมมาว่าแต่คุณหญิงเถอครับจะเหยียบผมบ้างไหมเนี่ยถ้าจะเหยียบ ก็จะได้นอนลงให้เหยียบซะก่อนเป็นคนแรกในขณะนี้ดารินปั้นหมัดต่อยเบาๆที่ลิ้นปีบอกมาว่าเนี่ยสำหรับฉันน่ะรอให้กลับไปถึงหนองน้ำแห้งซะก่อนแล้วถึงจะเหยียบตอนนี้ยังไม่อยากเหยียบหรอกเห็นสาระรูปแล้วมันอนเนดอนาจใจผอมโซเหลือแต่กระดูกนี่ถ้าเหยียบซะตอนนี้คงแบนเปล่าดีไม่ดีก็ทานตายไปเลยระพินยิ้มอย่างเป็นสุข ซึ่งมีได้น้อยครั้งในชีวิตเคร่งเครียดตลอดการของเขาว่าแต่ผมคุณหญิงก็แทบจะเหลือแต่หนังคุ้มกระดูกเหมือนกันดูดิอกเอแตะโพกแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วก็เพราะใครน่ะหล่อนสวนมันโดยเร็วคอนตาคว่ำแล้วปัดมือก็เพียยโดยแรงจนระพินสูรปากเมื่อเขาเอื้อมมือไปทำท่าจะแตะต้องที่สวงอก นี่ห้างแตะต้องเขาใจถึงฉันจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกกระดูกฉันก็แข็งนะจะบอกให้รับรองว่าจะจำเป็นขึ้นมาแล้วก็ตบแม่คริสหรือแม่เบงของคุณกระเด็นไมไม่รู้ทิศทางทีเดียวไม่เชื่อลองดูแม่น้อยนะ่มาว่าเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเดี๋ยวก็แกะดูซะเท่านั้นแหละฉันนะ่ะมันไม่ใช่พันเนื้อนมไข่เหมือนแม่เบงคุณ น, นั้นนะโอ้โหดูจัง คุณหญิงของผมแล้วก็ขอปฏิเสธที่คุณหญิงพูดตากี้นี้นะครับคริสกเบนอะของคนอื่นครับไม่ใช่ของผมหรอกต่คุณหญิงดารินต่างหากแหละครับที่เป็นของผมนี่นี่ฉันอะเคยไปเป็นของคุณตั้งเมื่อไหร่ยะอย่าพูดเสียนะเออเออจริงครับจริงพูดผิดไปไม่เคยเป็นหรอกเพราะไม่ยอมเป็นเสทีทั้ทงทังที่น่าจะเป็นมาตั้งนานแล้วเอา อ, อยากง้เองทำไมล่ะผู้หญิงให้ทาขนาดนั้นแล้วยังไม่มีปัญญาไปนอนจับสันงั ก, งกๆซะนี่ต่อไปก็รู้ไว้ซะด้วยถ้าขืนจับสันในเวลาอย่างนั้นอีกแล้วก็จะบีบจมูกเสตายรู้แล้วรู้ ร, รอดไปเลยมัวแต่มาทำพูดเล่นไม่เป็นเรื่องอยู่เนี่ยอ่าไ ป, ไปไปไปกันเถอะดีไม่ดีป่านนี้พวกผูใหญ่อาจจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้คงจะวุ่นงินไปหมดอะถ้าหากมองไม่เห็นฉันนอนร่วมอยู่กับพวกเขาครับไปครับ ว่าแต่คุณหญิงจำทางได้ไงไม่จะพาผมเดินวนอยู่ในอุทยานนี่จนกระทั่งสว่างนะหล่อนเงยหน้าขึ้นหัวเราะด้วยขณะที่เอาสีสะกพิงไหลเขาและจับมือเขาให้มาโอบรอบเอวตนเองไว้ขณะที่เดินคลอไปด้วยกันน้ารับรองว่าฉันนำทางคุณไปได้กันแล้วกันอย่างมากถ้าหลงก็คงพาคุณเดินไปถึงปราสาทหน้าอันเป็นที่พักของฝ่ายพวกคุณ ซึ่งก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ปลุกคริสติน่ากับเบลขึ้นมาสอบถามใชเวลานี้เลยว่าพรานนำทางที่ชื่อระพินเป็นไงบ้างหมายความว่าไงครับที่ว่าเป็นไงบ้างอ่ะไม่รู้ในอ้อมประคองของกันและกันมืออบอุ่นประสานมือทั้งสองเดินคลอกันลงมาจากแท่นหินอันกว้างใหญ่ของศาลาปาริชาติ ก้าลงสู่พื้นของถนนโรยกรวดของอุทยาน